มาถึงกับนี้อีกก็มีพระพุทธเจ้ากัปปุสันทะโกนาคมณะพระพุทธเจ้ากัส ป, ปะจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันถึงองค์ปัจจุบันนี้ก็แหมมาเกิดรุ่นอะไรนะปลายฝนแล้วตุนปลายฝนเป็นคล้ายๆว่ารุ่นละอองฝนแล้ไม่ใช่ฝนแล้วแม่เมล็ดฝนมันเริ่มสางซาเลือแต่ละอองฝนน้องๆหยาดน้ําค้างนั่นแหละเม่อไรจะเปียกจะชุ่มก็งั้น ถ้ามีผู้ตั้งคำถามว่าก่อนหน้านี้เราทำอะไรกันอยู่เนอะคำตอบจริงๆแล้วไม่ยากเลยแต่ว่าใจเราจะยอมรับหรือเปล่าวางนันคำตอบจริงๆก็คือว่าเราครบคนไม่เป็นนั่นเองคือเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่สมควรครบสำหรับเราใครที่เป็นกาลยานามิตรสำหรับเราคำว่ากาลยานามิตรนี้ก็คือ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 นะใครก็ได้ที่ตามใจชั้นคนนั้นคือกาลยานมิตรของชั้นเพราะเขาเอาใจชั้นทุกอย่างเลยเขาตามตามใจชั้นหมดเลยบุคคล น, นั้นเรียกว่ากาลยานมิตรในความคิดของเราพรานั้นถ้าคนที่เขาตามใจเราเนี่ก็ต้องดูว่าถ้าเราทําอกุศลแล้วเขาตามใจนี่มันมันหมายเขาว่าอย่างไงก็หมายว่าปาปะมิตรชัดๆเลยนะสอพลอความนั้นสอพลอพนาวานที่เชิกชวนกันไปไม่ดี ผู้รวมรวมแล้วนะที่เราไม่ประสบความสาเร็จไม่ประสบความเจริญก็คือเนื่องจากว่าเราขาดกัลยาณมิตรหรือเราไม่รู้จักกัลยาณมิตรนั่นเองเมื <ME> e mm ่อ hmm. e mm hmm. เราขาดกัลยาณมิตรหรือเราไม่รู้จักกัลยาณมิตรเราก็ไม่ได้ครบกัลยาณมิตรเมื่อเราไม่ได้ครบกัลยาณมิตรประโยชน์ที่พึงจะได้เราก็เสื่อมนะประโยชน์ที่พึงได้เราก็เสื่อมอย่างเช่นคาถามว่าแม้แต่ชาตินี้เองเนี่ยนะ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 เพราะว่าถ้าสิ่งนั้นที่ทำดีแล้วก็ทำถูกต้องผลลัพธ์ออกมาก็ต้องเป็นความสุขอย่างเดียวแต่เมื่อทำไมยิ่งทำยิ่งยิ่งทายิ่งขวนขวายทำไมเรายิ่งเดือดร้อนขึ้นเดือดร้อนขึ้นก็ขอให้รู้เถว่านั่นไม่ใช่เป็นผลที่เกิดจากการครบกัลยาณมิตรเพราะว่าประโยชน์และความสุขที่พึงจะได้ก็ไม่ได้เนี่ยนะดูเหมือนดีแต่จริงๆแล้วไม่ดีนิย้อนกลับมาอีกครั้งว่าเพราะเราไม่ได้คบกัลยาณมิตร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 นะอาจจะว่าดูขมบ้างแต่ว่าหายโรคหายภายัยฉันใดคําของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ก็จะถากแล้วถากอีกเนะี่ก็จะจนกว่าจะได้ดีนะจนกว่าจะประสบแต่ความสุขความเจริญโดยส่วนเดียวเมื่อใดที่เขาไม่เสื่อมแล้วนั่นแหละพระองค์ก็จะปล่อยไปนะพระองค์ก็จะปล่อยเหมือนอย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าเหมือนกับผู้ที่เลี้ยงเด็ก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 อ่ะนะพก็คนที่ตามใจเด็กแล้วแต่เด็กก็คือคนที่เด็กกว่าเด็กอีกครั้งหนึ่งะ น, นะน้องๆเด็กว่ากันก็แปลว่าเบรบเเบบเต็มทีทางความคิดอ่ะนะเพราะว่าเชื่อแต่เด็กฉันใดพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมองเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นเช่นกับเด็กอ่อนอะนะพระองค์ก็ประคบรางช่วงก็ประคับประคองแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยนะเด็กกลืนยาพิษเข้าไปท่านจะทําไงหรือกลืนของมีคมเข้าไปในปาก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 เห็นถ้าถ้าเป็นพระโสดาบันไปแล้วเนี่พระองค์จะไม่ใด่ตามตามจําชี้จ้าชัยอะไรเพราะถือว่าท่านเหล่านั้นเห็นอรยิยสัจแล้วท่านเหล่านั้นพ้นทุกข์แล้วท่านเหล่านั้นทําที่สุดแห่งทุกข์เกือบประสบเกือบพบเกือบเห็นแล้วเมื่อท่าน เ, เกือบเป็นทาสทหารแล้วพระองค์ก็ไม่ต้องจ้ำชี้จ้ำชัยอะไรเทียงแต่ให้แครไวไกระตุ้นเป็นครั้งคราวว่างั้นอ่ะเรียกว่าพูดตักเตือนเป็นครั้งคราวให้กําลังใจเป็น ทั้งคราวเป็นต้นก็ดูแต่ความเหมาะสมเท่านั้นเองแต่จะไม่ลักษณะจ้าจี้จ้าชัยฉะนั้นใดผู้ที่ศึกษาพระธรรมคาสอนในเบื้องต้นใหม่ๆเนี่ยนะรู้สึกเหมือนกับว่าบางคนบอกเออเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้านี่ยรุ่งเกินเรามากไปมั้งอะทําไมจัดแจงเราขนาดนี้ทําไมให้เราละอันนั้นอันนี้เราก็ชอบก็สอนให้เราละอีกแล้วอันนั้นเราก็ว่ามันดีเอาก็ให้เราละอีกแล้วเป็นต้นเหมือนกับว่าเออทำไมมาขวางความสุขเราเหลือเกินอย่างเงี้ยนะ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 อกุศลธรรมทั้งหลายที่สมควรละที่พึงละที่จำต้องละก็ละได้ไม่มากเนี่ยนะก็ละได้ไม่สมควรการศึกษาพระธรรมทั้งหลายเนี่ยก็เพื่อให้ละสิ่งที่ควรละแล้วก็ให้เจริญในสิ่งที่ควรเจริญที่นี้มีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าพิสูนทั้งหลายถ้าหากว่าอากุศลธรรมเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ละไม่ได้อกุศลธรรมเนี่ยนะถ้าละแล้วเนี่ย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 มีความสามารถพอที่จะละได้มั่นใจว่าละได้แล้วก็สมาธานว่าต้องละนะถ้าถ้าทำลักษณะ น, นั้นก็เป็นคนที่สมาธานที่จะละสมุทัยสัตว์นะมันจะต้องมีแบบคล้ายๆเอ๊ะทำไมเราละไม่ได้ทาไมเราละไม่ได้บางทีเนี่ยคถามอันนี้มันละใจจริงเคยคิดจะละจริงหรือเปล่านะอันนี้ต้องต้องพยายามจับมาเข้าใจเ้วบอกว่า อ, อันนี้คือสิ่งที่เราต้องละนี่คือสิ่งที่เราต้องละ เมื่อเข้าใจคำว่าละแลไออุปกรณ์ที่ทำให้ละมีอะไรบ้างเครื่องมือในการละไม่ใช่มันละง่ายๆนะเหมือนปลดนี้อถ้าไม่มีทรัพย์มาเอาอะไรไปปลดนี้นะก็ต้องมีอริยทรัพย์พอที่จะปลดนี้ปลดบาปปลดอกุศลปลดความเศร้ามองออกไปจากจิตใจฉะนั้นเนี่ยนะแต่แล้วอิทธพุทธพจน์กลุ่มหนึ่งบอกว่ากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเจริญแล้วเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความ เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพและกุศลธรรมเป็นสิ่งที่เจริญไม่ได้พระองค์ก็บอกว่าพราะองค์ก็ไม่สอนให้เจริญแต่เนื่องจากว่ากุศลธรรมเป็นสิ่งที่เจริญได้เจริญแล้วนามาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบันและสัมปรายภพนำมาซึ่งความสุขโสมนัส ด, ดีโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์จึงสอนให้เจริญสรุปว่าอากุศลเ น, นี่ยเลวร้วรายมากกุศล น, นี้ ดีเยี่ยมถ้าเปรียบอุปมาบางแห่งอากุศลพระ อ, องค์บอกว่าเหมือนลิ่มสลักบางสูตรพระ อ, องค์บอกว่าอากุศลเนี่ยนะมันเหมือนกับลูกศรที่ปักอยู่ในใจบางสูตรบอกว่าอากุศลธรรมทั้งหลายเหมือนกับเสี้ยนน้าใครเคยตนเสี้ยนตาบ้างถ้าน้ํามันตําใจน้ํายอกใจนี่จะเป็นยังไงก็เคยมีเรื่องสมัยพุทธกาลเรื่องน้ํายอกใจนะประวัติของอโคสกะเสตี คือมีอยู่ครั้งหนึ่งนะโคสกะเศรษฐีนี่เขาพ่อของโคสกะเศรษฐีเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงพ่อแท้ๆของโคสกะเศรษฐีเนี่ยอเป็นคือแม่ของโคสกะเศรษฐีเนี่ยเป็นโสเภณีะนะพอได้ลูกก็อกรรมที่อดีตตัวเองเนี่ยเคยทิ้งลูกก็ทําให้แม่ที่เป็นโสเภณีเนี่ยเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเพราะว่าสำนักโสเพณีไม่ต้องการผู้ชัดเด็กลูกชายต้องการแต่ลูกสาว นะเสร็จแล้วก็ถูกเอาไปทิ้งทีนี้ถูกเอาไปทิ้งเข้าในวันที่คลอดเนี่ยนะปุโรหิตเขาก็ทายลางแล้วเด็กที่เกิดวันนี้เป็นมหาเศรษฐีใหญ่ในเมืองนี้นะรู้ได้เลยว่าใครที่เกิดวันนี้เป็นมหาเศรษฐีใหญ่ตามตำราหมอดูบอกอย่างนั้นเป็นปุโรหิตของพระราชาอ่วันนั้นท่านเศรษฐีก็เดินไปเจอปุโรหิตเยาอาจารย์โหราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่สมัยนั้นว่าอาจารย์วันนี้มีเหตุการณ์อะไรพิเศษบ้างไหม เออไม่ยัางอื่นไม่มีนะเกี่ยวกับบ้านเมืองไม่มีแต่ว่าเด็กที่เกิดวันนี้เนี่ยมันจะเป็นมหาเศรษฐีใจเนี่ยโหดีใจลูกสาวเออลูกเราเมียก็ท้องอยู่ทุกข์ดีเลยเมียคลอดหรือยังไปลูกก็เลยให้ไปถามดูให้เมียเราคลอดหรือยังบอกอยังก็เลยไปเที่ยวหาเด็กเด็กดูซิว่าไปหาดูว่าวันนี้มีเด็กคลอดบ้างไหมก็บอกว่ามีก็คือไปเจอเด็กชายที่ที่คนเอาไปเลี้ยงอ่ะนะคนไปเก็บได้ก็เลยเอาไปเลี้ยงก็เลยบอกว่าเอาตะขอซื้อเข้ามาซื้อเด็กคนนี้มา มาเลี้ยงก็คิดตัวเองก็คิดในใจว่าถ้าหากว่าได้ลูกชายมาใช่ไไปซื้อลูกชายมาได้คนหนึ่งว่าถ้าวันนี้ได้เอถ้าลูกของเราคลอดออกมาเป็นลูกสาวจะให้ลูกคนเนี้ยมาแต่งกับลูกสาวเราแต่ถ้าเป็นลูกถ้าคลอดออกมาเป็นลูกชายเราจะฆ่ามันทิง้งนั่นนะใจนี้คิดเลยแล้วคิดอคติเพราะด้วยเศษกรรมของโคศกานั่นแหละนั่นนะทําให้คนมีคิดปองร้ายแต่แล้วก็วันหลัง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 มีวันหนึ่งเนี่ยที่ที่เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธที่เกลียดรุนแรงมากเศรษฐีนี่โกรธเกลียดรุนแรงชนิดที่เราแรงจริงเลยก็มีอยู่วันหนึ่งว่าจะฆ่าวางแผนฆ่าหลายครั้งแล้วไม่สําเร็จอ่ะนะเสร็จแล้วก็ไปจ้างนะช่างหมอ้อกไปคุยกับช่างหมอ้อช่างหมอ้อชั้นนี้มีลูกชายเลวมากคนหนึ่งอ่ะนะช่วยเป็นภาระค่าให้ทีถ้าแกฆ่าให้ฉันให้พันหนึ่งอ่ะนะทันวันไหนที่ ท, ที่เผาเตาอบเตาอบหมอ้อเนี่ยนะ วันนั้นช่วยสับให้มันเป็นท่อนๆแล้วก็จับโยนเข้าไปในกองไฟเลยนะเดี๋ยวฉันจะให้รางวัลแกบอกโอ้ยสบายมากครับเจ้านายว่างนั้นอเจะ้านายส่งเด็กคนนั้นมาก็แล้วกันเดี๋ยววันน้นผมจะเผาแล้วก็จะเศรษฐีนี้ก็กลับไปถึงบ้านก็เรียกโคสกะมาหนูพ่อมีธุระที่บ้านช่างหม้อวานเธอไปทําธุระให้พ่อหน่อยเนี่ยเอาหนังสือไปเขียนหนังสือบอกลูกชายคนนี้มันเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้เลี้ยงไปก็ครอบครัวไม่เจริญ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 บอกไม่ได้นี่พ่อใช้พี่ให้ไปที่บ้านช่างมอไม่เป็นไรพี่พี่แก้ตัวให้หนูแทนเดี๋ยวหนูจะไปทํางานให้พี่เองแป๊บเดียวไม่ยากอะไรก็ได้ถือจดหมายไปก็เลยถูกฆ่าเข้าเต า, าอบเรียบร้อยเด็กคนนี้ก็ตอนเย็นก็กลับไปบ้านพ่อเห็นบอกว่าอา้อาวแล้วพ่อใช้ให้ไปส่งหนังสืออ่ะก็บอกน้องเข้าอาสาไปอะ่ะเราบอกโอ้โหายเนี่ยแป๊ลเลยวิ่งไปโอโ้อย่าฆ่าเลยอย่าฆ่าเลย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 นนเนะคะเท่ากันไปส่งให้ไปได้ลูกสาวเศรษฐีอยู่เมืองอื่นในที่สุดก็ก็เป็นโคสก่าเศรษฐีอ่ะนะเจ้าของวัดโคสิตารามเนี่ยตอนหลังแกก็สังเวชใจมากก็ให้ทานให้อะไรแต่ฝ่ายเศรษฐีเนี่ยพยาบาทจนตายเนี่ยนะก็ก็เป็นโรคป่วยจนตายเนี่ยที่เรียกว่าน้ำทิ่มใจเหมือนกันเพราะน้ำทิ่มใจเหล่านี้อาุโสรธรรมเหล่านี้ไม่ใช่จะเอาออกกันง่ายๆเนี่ยนะสมมุติถ้าเรามีเรื่องที่ไม่สบายใจสักเรื่องหนึ่งเนี่ย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 พันบาปอกุศลธรรมทั้งหลายพระองค์ก็บอกว่าเหมือนกับเสี้ยนน้ํานะเหมือนกับลูกศรที่มันปักมันทิ่มมันแทงอยู่ในใจลูกกิเลสอกุศลธรรมทั้งหลายพระองค์ก็เปรียบเหมือนกับห่วงน้ําห่วงน้ําใหญ่เหมือนกับสายโซ่ที่ร้อยรัดนะเหมือนกับเครื่องคล้องเครื่องร้อยเครื่องรัดเป็นเครื่องหมักดองเป็นเครื่องหมักหมมเป็นโคลนเป็นตมนะสุดแท้แต่จะเอามาเปรียบกับสิ่งที่เลวร้ายถ้าเปรียบเช่นถ้าพูดถึงเหล็กพูดถึงทอง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 เรียกว่าดำรงอยู่ในอริยวงนะถ้าถ้ามีอัธยาศัยอยู่ในใจอย่างนี้จริงๆว่าน้อมไปเพื่อละบาปละอกุศลน้อมไปเพื่อการเจริญกุศลนั่นแหละเรียกว่าเป็นอยู่ในวงของพระอริยเจ้านะในที่สุดก็จะได้รับมรดกของอริยธรรมแน่นอนถ้ามีอัธยาศัยจริงๆเป็นเช่นนี้คือการน้อมไปละในสิ่งที่ควรละน้อมไปเจริญในสิ่งที่ควรเจริญ นี่มาดูว่าแต่ละอย่างนี่มันน่าละน่าเจริญไหมมาดูนะในข้อ73ปฏิสัมพิธามัตภาเวตพรรมอภาเวตพระนิเทศพูดถึงภาวนาเนี่ยนะภาวนาที่กล่าวไปแล้วเนี่ยคือภาวนาสี่ภาวนาสี่มีอะไรบ้างภาวนาก่อนหน้าเนี่ยนะเขาบอกว่าภาวนาเพราะว่าอาเศวนภาวนาเบื้องต้นของ อัปปนาปฏิลาภภาวนาก็คืออัปปนาเอกรัสาภาวนาก็มีรถเดียวคือมีมุติรสเป็นต้นหรือมีกิจอันเดียวกันอสิวะนาภาวนาก็คือเจริญโดยมากส่วนภาวนาอีกกลุ่มหนึ่งในข้อเจ็ดสิบสองหัวข้อก็บอกว่าภาวนาด้วยอัฏฐาว่าไม่ล่วงกันและการแห่งธรรมทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นหรือที่ชื่อว่าภาวนาก็ด้วยอัฏฐาว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีกิจเป็นอย่างเดียวกันสามชื่อว่าภาวนาเพาอัฏฐาว่า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 สมมติว่าล้อข้างหน้าเนี่ยมันมีล้อหนึ่งมันรีบไปหน่อยไอ้ล้อหนึ่งมันช้าเอาช้าเอาเนี่ยนะทํำท่าจะไปไหนดีล้อไหนช้าล้อนั้นก็ถูกเลี้ยวนะตัวเองก็ต้องงอเลยแหละนะก็เหมือนกับสมักมยก่อนเคยขับเกวียนเะนี่ยถ้าวัวตัวข้างไหนช้าตัวนั้น่ะจะถูกอีกข้างเดเร็วก็จะถูกตีวงกลับแล้วชันใดล้อข้างไหนที่ช้าก็แปลว่าจะถูกเลี้ยวแล้วนะถ้าถ้าเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มรถโบราณอ่นะฉันใด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 เพราะทุกคนตั้งอยู่ในความเคารพซึ่งกันและการฉันใดกุศลธรรมก็ฉันนั้นนั่นคือลักษณะแห่งการภาวนาเพราะอย่างที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆว่าถ้าภาวนาโดยที่ศรัท ธ, ธาเกินไปเนี่ยอะไรจะเกิดงมงายปัญญามากไปอะไรก็ไม่เชื่อสักอย่างเลยนะหนันะนกๆเข้าบุญก็ไม่ทำถ้าเพียนเกินไปเพียนเกินไปฟุง้งซ่านถ้า ดูเหมือนสงบเกินไปเนี่ยไอสงบเกินจริงๆไม่มีหรอกดูเหมือนสงบเกินไปเนี่ยก็ทีนะเนี่ยนะโรคเสื่อมซึมโรคม่วงเหงาจะเข้ามามาดูว่าคุณธรรมที่ที่ไม่ล่วงกันและกันเนี่ยนะท่านบอกว่าเมื่อพระโยคาวจรละกามฉันทะธรรมทั้งหลายที่เกิดด้วยสามารถแห่งเนคขมะย่อมไม่ร่วมกันและกันเพราะฉะนั้นชื่อว่าภาวนาพระอัตถว่าไม่ร่วมกันและกันในธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในภาวนานั้น เนคธรรมนั้นเนี่ยนะเเป็นคุณธรรมที่สามารถนําออกจากกามฉันทะได้เป็นคุณธรรมที่ละกามฉันทะได้คุณธรรมที่จะสงบกามฉันทะได้เนี่ยนะความเศร้ามองด้วยอํานาจราคะเนี่ยถามว่าสมมติขณะที่เศ้ามองด้วยราคะเนี่ยคิดยังไงจึงจะเลิกใจจะเลิกเศ้าหมองไอ้ความเยื่อใยความผูกพันในรูปเสียงเป็นต้นเนี่ยนะทายังไงความเศร้ามองเหล่านั้นจะลดลงไปเนี่ยนะ เรียว่าความหวยหิวทางความคิดในราคะเนี่ยการมาฉันทะเป็นลักษณะนั้นเรีความอดอยากทางความคิดเนี่ยนะมันแห้งแลง้งมันต้องการมันหวยหิวอยู่นั่นแหละถามว่าจะแก้มันได้ยังไงเนี่ยะจะละมันออกไปได้ยังไงความเศร้าหมองตัวนั้นเชื้อโรคตัวนั้นที่มันชุ่มอยู่ตลอดเนี่ยทําได้ยังไงเพราะอว่าต้องมีกุศลเนคขมมะมาตัวชดเชยที่จริงที่เรายติดเนี่ยนะติดในกามทั้งหลายเนี่ยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ากามทั้งหลายเนี่ย เป็นเหตุแห่งความเพลิดเพลินหรือตัวที่เพลิดเพลินตัวที่เพลิดเพลินตัวที่พอใจตัวที่เรียกว่าสุคโสมนัตอันใดที่อาศัยกามนั่นแหละเรียกว่าอัาธาแห่งกามเพราะกามทั้งหลายนามาซึ่งความเพลิดเพลินจริงๆจะต้องมีคุณธรรมที่ดีเยี่ยมจึงจะออกจากความเพลิดเพลินเหล่านั้นได้โอเคจะต้องก็คือชดเชยกันได้อะ นั้เนคขมมะนั้นเนี่ยจึงเป็นตัวชดเชยกามฉันทะเนี่ยจะต้องเป็นความสุขที่เกิดจากเนคขมมะสุขจากกุศลสุขที่ไม่มีโทษเนี่ยนะต้องต้องมีความสุขอันนั้นนั่นแหละจึงจะละกามได้เพราะเนคขมมะตัวนี้เป็นชื่อของสมถะทั้งหลายที่สงบราคะได้แล้วก็สงบสงบกามฉันทะได้ดงั้นในขณะที่ละกามฉันทะด้วยสามารถแห่งเนคขมมะเนี่ยนะ กุศลรธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในขณะเนคขมะไม่ล่วงเกินกันและกันคือเรียกว่าไม่ล้มกันและกันไม่เกินกันและกันเป็นไปอย่างพอดีเมื่อเป็นไปอย่างพอดีนี้จึงละการมฉันทะได้นะ น, นะก็ต้องเนี่ยเรียกว่าภาวนาคือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเพื่อละการมฉันทะนั้นนะ่ะไม่ล่วงเกินกันเนี่จึงเรียกว่าภาวนาภาวนาอย่างนี้นะแทบเกิดมาเพิ่งได้ยินว่างั้นนะ่ะนะเข้าใจยากมากว่างั้น กุศลธรรมไม่ล่วงเกินกันไม่ล้ำหน้ากันเป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นไปอย่างดีและเป็นไปอย่างสม่ำเสมอเจริญคุณธรรมอันนี้ให้ต่อเนื่องนั่นแหละเรียกว่าปาวนาเพราะว่าละกามฉันทาออกไปได้เนี่ยนะนะเมื่อพโยคาวจรละพยาบาททำทั้งหลายที่เกิดด้วยสามารถแห่งความไม่พยาบาทย่อมไม่ล่วงกันกุศนละธรรมที่เกิดขึ้นในขณะที่อับพยาบาทความไม่พยาบาทก็คืออโทสะเนะีนะ่ย พยาบาทนั้นก็คือพยาบาทพยาบาทก็คือแผดเผาอะนะความลักษณะของราคะนี่มันติดถ้าโทสะนี่ลักษณะมันเผาก็นะเขาบอกว่าราคะเนี่ยติดในอารมณ์มากถ้าโทสะเนี่ยเผาอารมณ์นะนะมันแผดมันเผาแล้วก็เผาทั้งอารมณ์ด้วยเผาทั้งตัวเองด้วยทีนี้อัปพยาบาทคืออัโทสะเนี่ยนะอะโทสะอัปพยาบาทเป็นตัวที่กําจัดความ พยาบาทเนี่ยนะทำไงอภยาบาตก็คืออย่างน้อยที่สุด ก, ก็คือเมตานะจะต้องอยู่ด้วยเมตตาแล้วก็ด้วยปัญญาที่พิจารณาโทษของโทสะเนี่ยนะกุโซลมูลคืออภัยโทสะนั้นจะต้องมีกําลังอยู่ด้วยเมตตาทั้งหลายนะคิดให้อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความประทุษร้ายมีความสุขความเจริญและอีกคิดอีกในหนึ่งเนี่ยนะว่าถ้าขณะที่เราโกรธเราไม่สบายใจเนี่ยนะเรามีเมตตาต่อตัวเองไหม ก็ขาดเมตตาต่อตัวเองประทุสร้ายตัวเองทําลายตัวเองเนี่ยนะฉนั้นขณะที่เราไม่สบายใจเนี่ยขณะที่มีเรื่องที่เป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายใจเกิดขึ้นมาเนี่ยขณะนั้นเราขาดเมตตาต่อตัวเองขณะนั้นเป็นขณะที่เราประทุสร้ายใจของเราเองเนี่ยนะทำลายภายในเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะียลว่าอะไรนะไม่ชอบคนอื่นแต่ว่าเผาบ้านตัวเองทิ้งเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นความโง่เขลามาก เป็นความไม่ฉลาดอย่างยิ่งโกโรธคนอื่นแต่เผากุศลธรรมของตัวเองทิ้งหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นขณะที่เราโกโรธเนี่ยเรานึกถึงพระพุทธเจ้าไหมยากเนี่ยนะเออไม่เกี่ยวกับพระเรื่องนี้เท่านั้นนะเก่งมากขนาดนั้นนะก็แยกประเด็นเป็นอ่ะนะเออเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพระพระพุทธเจ้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับพระธรรมไม่เกี่ยวกับอะไรสักอย่างเท่านั้นนะก็เลยเผาใจตัวเองซะเร่าร้อนหมดอ่ะนะก็เลยเดือดร้อนมากเพราะฉะนั้นก็ต้อง กุศลธรรมคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยถูกเผาถูกทาลายเสียวอดหมดเลยทัานจะต้องเจริญอโทสะให้มีกําลังก็คือยามกปกติเนี่ยนะถ้าใครที่รู้ว่าตัวเองหนักไปทางโทสะเนี่ยกปกติต้องเห็นโทษของโทสะหยิบยกของปัญหาโทสะมาเป็นเรื่องใหญ่ว่ามันเลวรายย้ายยังไงมันสร้างความเสียหายอย่างไรและปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเนี่ยนะกลับเน้นเจริญ เจริญเมตตาเน้นเจริญเมตตาโดยปกติคนบางคนก็บอกว่าชอบเจริญเมตตาตอนที่มีมีโทสะเสร็จแล้วก็บอกเมตตาไม่ค่อยได้ประโยชน์เขาว่าบอกนะแก้ปัญหาไม่ค่อยได้ก็เหมือนกับว่าโหเอาสักไค่สมแล้วนะค่อยคิดกินยาวบำรุงไงนะโอ้ยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่น้ออาจจะมีอในะระยะยาวแต่ว่าในขณะนั้นมันแทบช่วยอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะขณะที่เหมือนกับว่ามันสมเต็มที่แล้วถ้าโทสะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยยาก ยากที่จะละได้นะนะยากที่จะแก้ได้เขาบอกว่าสิ่งที่บรรเทาได้ยากเขาเรียกมีอะไรบ้างรู้ไหมราคะนี่บรรเทาได้ยากโทสะบรรเทาได้ยากโมหะบรรเทาได้ยากแล้วจิตคิดจะไปเนี่ยบรรเทาได้ยากแล้วใจคิดจะสึกก็บรรเทาได้ยากเขาว่างอันนันมีอยู่ประมาณห้าอย่างนะนะสมมติว่าใจของพระที่จะลาเพศเนี่ยจะไปกล่องไม่ได้ยากเลยนะยากมากมีอยู่ครั้งหนึ่งพระรูปหนึ่งโอ้ยอยากสึกมากนะเขาเป็นชาวนา ช่วงนั้นน่าเกี่ยวข้าวพอดีเลยบอกเพราะวาทำท่าร่อแร่ร่อแร่อยากศึกแล้วนะบอกโยมโยมโยนเคียวมาให้พาหน่อยนิท่านอยากเกี่ยวข้าวแล้วอ่ะท่านอยากเกี่ยวข้าแล้วโยนเคียวให้พาหน่อยถวายเคียวท่านเลยเห็นไหมพูดไปพูดมาหลายครั้งเข้าว่าหลายหลายครั้งเข้าออไม่ศึกเลยครั้นี้ยแล้วก็เนี่ยท่านจิตเราเนี่ยนะถ้าว่ารวมๆแล้วนะบรรเทายากมากแต่ละอย่างนะราคาบรรเทายากโทรศับรรเทายาก โมหะบันเทายากจิตคิดจะไปเนี่ยนะแหมใจมันจะไปเนี่ยนะโอ้ยของก็นึกถึงสมัยหมัยบทใหม่ๆเนี่ยนะใจคิดจะไปเนี่ยอย่าห้ามเลยอย่างนึกถึงที่สงสารอาจารย์นี่เหมือนกันเราทํางไงรึเป่าพูดถึงความเลวให้ฟังนิดหนึ่งว่าพอค่าแล้วอยากจะไปที่หนึ่งอะนะมันไกลมากเลยนะมันต้องเดินลุยป่าไปอะไรไปค่าแล้วก็จะไปเก็บของเสร็จแล้วก็ไปลาอาจารย์มันจะไปยังไงค่ำแล้ว ข้าก็าไปครับเหมือนกันกราบลาแล้วครับไปล้วอนั้นก็เลยก็น็กถึงบอกว่าโหแล้วจะบอกว่าอย่าไปเลยไม่มีประโยชน์ถ้าจะยากเหมือ น, นกันฟันจิตคิดจะไปจริงๆเนี่ยนะใครจะไปไหนไปไหนจริงๆเนี่ยแหมใครห้ามโกคนขวางคือฟันฉันใดาอาภุสุอาพยาบาททั้งหลายนี่ก็เหมือนกันอย่ามาขวางกันให้ยากเลยมันไม่ใช่จะแก้กันง่ายๆเนี่ยนะเหมือนกับอุบัติเหตุ ที่ขี่ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วประสบอุบัติเหตุเนี่ยยากที่จะเบรจะช่วยได้เท่าไหร่ฉันใดอคุศลธรรมทั้งหลายมันเป็นเช่นนั้นจริงๆนั้นพยาบาทเนี่ยถ้าเรามีแนวโน้มหนักไปทางความเป็นคนค่อนข้างไม่สบายใจเนี่ยนะอย่าปล่อยให้ความไม่สบายใจมันเกิดขึ้นรีบตัดไฟตั้งกั่ต้นลมซะ น, น, นะเรียบกำจัดเรียบพวนขวายรีบพอกภูในเมตตากรรมฐานสาธยายพระสูตรเป็นที่ตั้งแห่งเมตตา อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะบอกว่าไม่มีใครน่าเมตตาสักคนหนึ่งขอร้องเธอเมตตาให้ตัวเองสักคนหนึ่งก็ยังดีเนี่ยนะเพราะถ้าท่านโกรธแล้วท่านก็ขาดเมตตาต่อตัวเองถึงว่าคนอื่นจะเลวร้ายขนาดไหนยังไงยังไงก็ขอความเมตตาแก่ตัวเองบ้างเพราะว่าทําไมจะต้องโกรธตัวเองด้วยทําไมจะต้องปรทุษสษร้ายตัวเองด้วยเห็นคนอื่นมีบาดแผลเต็มตัวไปหมดไม่น่ารักเลยตัวเองก็เลยเอามีดมากรีดผิวตัวเองด้วยกรีดหน้ากรีดตาซะเวอะแวกหมดแล้วบอกว่าไม่ชอบแผลเลยอย่างไงี้นั้นนั่นก็เกินไป นั้นชันใดก็เหมือนกันเราก็ต้องขอความเมตตาให้แก่ตัวเองบ้างงั้นเจริญเมตตาก็อย่างน้อยขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขมีความเจริญบ้างงั้นทําท่าจะไม่สบายใจก็ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเนี่ยนะพอเริ่มสบายใจแล้วนะเอาอีกแล้วหาเรื่องต่อนี่เสร็จแล้วก็ไม่สบายใจอีกเพอไม่สบายใจอีกก็ไม่ยอมเจริญอีกอหลายคนแยมแปลงว่างๆแทนที่จะคิดให้ตัวเองมีความสุขบ้างบํารุงบําเรอเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆพวกต้นไม้จะเฉาแล้วค่อยเอาน้ําไปรดอย่างเงี้ย ปกติก็ไม่ค่อยรดน้ำจนแบบว่ารอให้มันแล้งดินมันแห้งซะจนต้นไม้เฉาใบไม้ร่วงไปเยอะโอ้ยทาท่าขยันรดน้ำใหญ่เลยพอมันเริ่มทําท่าจะฟื้นอีกก็ไม่เอาอีกว่าไม่รดล้วปล่อยให้แห้งและเกือบตายอีกฉันใดใจของเราโดยมากก็เป็นลักษณะนั้นทั้นจะต้องมอีคุณธรรมอันหนึ่งที่มาบริหารยามที่ไม่ต้องรอให้ไม่สบายใจก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยนะ โดยปกติเรารู้อยู่แล้วว่าแนวโน้มเราเป็นจะไม่สบายใจยังไงเนี่ยเราน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วใช่ไหมรู้ว่เออวันนี้น่าจะไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไรวันนี้ทําไมมันแห้งแล้งทางความคิดเหลือเกินเนี่ยนะวันนั้นแหละจะต้องเร่งเจริญเมตตาให้มากเนี่ยนะอันนี้นี่พูดเหมาะกับคนที่หนักไปทางโทสะเนี่ยนะท่านจะต้องหมั่นเจริญเมตตานี้ให้บ่อยๆโดยเฉพาะยามปกติยามอยู่เรียกว่าเฉยๆ เ, เนี่ยสมัยนั้นอาจจะต้องเร่งระดมทุนนะระดมเมตตาวะให้กับตัวเองมากๆ ยังไงยังไงก็ช่างคนอื่นจะเลวรา้ายยังไงก็ขอยังไงก็ตัวเองก็ไม่เลวขนาดที่ต้องปาระทุสร้ายใจตัวเองขนาดนั้นใช่ไหมไม่เลวถึงขนาดต้องจุดไฟเผาตัวเองเลยใช่ไหมฉะ น, นั้นแล้วทําไมต้องเอาไฟมาจุดเผาใจตัวเองอ่ะนะต้องเจริญเมตตาบ่อยๆขอให้พระเจ้ามีความสุขความเจริญเนี่ยนะคิดอย่างงี้กับตัวเองหรือคิดไม่เป็นเลยนะบางคนคิดไม่เป็นเลยนะก็เรามันไม่ดีจริงๆอ่ะก็เรามันเลวจริงๆ嘛นะเนี่นนั้นก็เรามันเลวจริงๆนะเขาว่างั้นเออ เลวจริงๆเอเลวเเแล้วไม่คิดจะแก้ให้มันเป็นคนดีอ่ะบอกว่ายากถ้างั้นก็แสดงว่าอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะ ม, มันก็ต้องตรวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าพยายามเจริญเมตตาให้กับตัวเองบ่อยๆคิดให้ตัวเองมีความสุขมีความเจริญบอกตัวเองว่าถ้าเรากโกรธ ถ, ถ้าเราไม่สบายใจเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลกับเราไหมมีอุปการะคุณกับใจเราไหมพระพุทธเจ้าท่านชมเลยใช่ไหมว่าเออนี่เธอนี่เก่งมากเลยไหม เธอเนี่ยรับผิดชอบสูงมากคิดจนเครียดนะนะชมไม่พอใจแต่ชมสรรเสริญเก่งจริงเเลยไม่เนี่ยนะองค์ตมิด้วยซ้าดิความโกรธย่อมยังจิตให้กำเริบของว่างนันภัยที่เกิดขึ้นในภายในคนโกรธก็ไม่รู้สึกคนโกรธย่อมไม่รู้อัดคนโกรธไม่เห็นทำขณะที่ความโกรธครอบงำมันมึดไปหมดเลยนะทำลายบุญทาลายกุศลทาลายคุณงามความดี อ่ะนะทำลายอาทิศีลสิกขาที่จิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาทำลายทานศีลภาวนาทำลายโอ้พระไตรปิฎกกี่ทำมาขังก็จําไม่ได้บอกบางคนบอกเออทําไมนะหนังสือทําไมเขาท่องยากยากไม่จนะําเลยบอกไม่ไปจําได้ยังไงก็แบ่งเวลาไปโกรธตั้งเยอะแล้วแลนะ่นนะคิว่าไปกับเรื่องโกรธบ้างไปกับเรื่องโลภบ้างไปกับเรื่องอื่นบ้างให้ใจกับเรื่องอื่นไปเยอะแยะไปหมดแล้วบอกว่าพระทำไม่จํา ใช่แล้วที่ทําไมคําบางคําที่เพราว่าเราทําไมจาแม่นเหลือเกินเนี่ยนะเก็บมาว่าคิดแล้วคิดอีกทบทวนแล้วแล้วลอธิบายได้นะแตกฉานมากเลยนะมันแปลว่ายังไงเชี่ยวชาญแตกฉานเหลือเกินเนี่ยนะอธิบายได้เป็นฉากเป็นฉากเล่าแล้วเล่าอีกถ้าพระพุทธพจน์นะเพ่งขนาดนั้นนะโยมเชื่อไหมเกือ บ, บรรลุไปนานแล้วเนี่ยนะเพ่งด้วยโทสะเพราะงั้นนะเพ่งด้วยโ ท, ส ะ, นนะยโทสะเพราะนั้นนี่แหละที่จะเรียกว่าซ่องเสพคนผ่านทางความคิดเรียบร้อยแล้วเพาะงั้น ในหัวข้อวัดเนคขมมะกับอภยาบาทเนี่ยนะถ้าพูดถึงองค์ธรรมแล้วนะอยู่ในกรรมบทข้อไหนเป็นกรรมบดไหมเป็นกุศลกรรมบดไหมเป็นเป็นอนาพิชากับอภยาบาศ อ, อันนอะิอนาพิชากับอภยาบาทที่นี้ระหว่างการมฉันทะกับพยาบาทเนี่ยบางทีอ่ามันบวกกับความง่วงเข้ามาด้วยเพราะคําว่ากามฉันทะบางทีนี่แปลว่าติดความสุขในการหลับการนอน ติดนอนเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นการมาฉันทาที่บวกกับผีน้มิทธะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยนะที่ที่พยายาทเนี่ยเพราะอะไรเพราะง่วงง่วงเลยเริ่มง่วงเริ่มโกรธแล้วเริ่มงอแงแล้วเหมือนเด็กนะบอกว่าเด็กเนี่ยถ้าเวลาเด็กมันง่วงนะเริ่มโองอแงแล้วเนี่ยนะงอแงเอาใจยากอั่งนั้นแต่ถ้าให้หลับตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นชั้นใดใจจริงๆของเรามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันหรอกเพียงแต่ว่าสรีระมันนานแค่นั้นแหละคุณภาพจิตก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ มก่อนยังคุยกับโยมเลยเขาบอกว่าแปลกนะบางทีเนี่ยนะอันนี้ไม่ได้ล้อเลียนถากทางอะไรสักอย่างเลยแบบแต่เล่าให้เข้าเล่าให้ฟังความจริงอะนะไม่รู้ฟังได้หรือเปล่าบอกว่าคนเนี่ยนะโดยมากเนี่ยอายุมากจริงเออเรียกว่าอายุมากจริงอ่ะแต่ใจเนี่ยเหมือนใจเด็กๆแล้วก็บอกเด็กที่อายุมากเนี่ยโอ้ยากมากเลยนะบอกว่าเอออาจจะแนะนํนาอะไรกันนี่ๆหน่อยๆก็บอกฉันเกิดมาก่อนอาบน้ํามานานแล้วกันนั่นอ้างแต่ตรงนั้นอะแต่ขี้ใจเนี่ยน้อยเหมือนเด็กๆเลย เอาใจใจตัวเองเหมือนเด็กๆเลยทําทุกอย่างคล้ายๆเด็กๆเกือบหมดแต่อ้างภาระว่าเกิดนานเท่านั้นเองอนะเอาไว้ขู่คนอื่นก็ตรงนี้แหละซึ่งดีว่าประเทศบ้านเราเนี่ยเขาเคารพว่าเออผู้ที่อ่อนน้อมต่อผู้เจริญด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าทางคุณภาพจิตใจแล้วเนี่น่าเห็นใจมากเลยแล้วก็ต้องมาทบทวนให้ดีๆนะบางทีบางทีเราง่วงๆนี่เราเริ่มอารมณ์เสียแล้วบางทีถ้าถ้าเราอารมณ์เสียบางทีนี่เพราะง่วงบางทีอารมณ์เสียเพราะหิวนะ กามฉันทะมันกลุ่มรวมก็เริ่มอารมณ์เสียแล้วก็อทีนามิทะเนี่ยมันจะแทรกเข้ามาเพราะนั้นแก้ทีนะมิทะได้อย่างไรเมื่อกี้พูดถึงวิธีแก้การมาฉันทะด้วยเนคขมมะเาะนั้นกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในขณะเนคขมมะต้องไม่ล่วงเลยกันและกันกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในขณะที่ความไม่พยาบาทเกิดขึ้นต้องไม่เลยกันและกันแล้วก็ถ้าจะละทีนะมิทะละด้วยอะโลกัสัญญาเนี่ยนะ ละด้วยอโลกสัญญาเนี่ยก็คือสร้างความตื่นตัวขึ้นอยู่ในใจเนี่นะสร้างภาวะตื่นตัวขึ้นในใจอโลกสัญญาก็คือสําคัญว่าสว่างเนี่ยบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าเออสว่างแล้วเราจะมาซบเซาอยู่ทําไมเขาๆๆบอกว่าโรคซึมเซาซึมซึมเซาเซาง่วงง่วเนี่ยตอนไหนตรงมี้บรรยากาศง่วงงฝนตกพรำพรำเมฆครึ้มครึมเนี่ยโอ้แต่ถ้าตอนไหนฟ้าโปร่งเขาบอกว่าเราคิดดูในสภาพว่าช่วงที่แบบบรรยากาศคล้ายๆแบบเนี้ย สลัวสลวนิดๆเนี่ยนะแหมเหมือนห้องนอนเลยเต้เลยนะอากาศเย็นๆ ห, ห, หน่อยนั่นแหละเข้าบรรยากาศเต้เลยนะยิ่งพระพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องด้วยแล้วก็ไปกันใหญ่เลยนะอ้ววววัววววววววววววววววว้วว่งงวงว้วววววววววววววววววววววววววววววววว เคยเห็นใครนอนตากแดดสว่างโล่ไหมหายากมาะแต่มืดๆครึ้มๆเย็นๆเนียน่ยใช่เลยนะนั้นพยายามและลึกถึงว่าสภาพบรรยากาศที่มันตื่นตัวสว่างๆนั้นเป็นอย่างไรใครที่มานาิการลักษณะนี้ได้บ่อยๆก็จะละถีนมิธะได้ก็จะเจริญกุศลธรรมได้เพราะถีนมิธานี่มันเป็นเหตุให้ไม่เจริญกุศลธรรมไม่น้อมไปเพื่อเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะไม่ค่อย คนที่ถีนานมิท่าครอบงาแล้วเนี่ยนะมันเหมือนกับสันโดดนะทําท่าเหมือนเป็นคนสันโดดนะเพราะถีนานมิท่ากับขี้เกียจเนี่ยมันพวกเดียวกันกลุ่มเดียวกันมันบอกโอ้ยอย่าไปยากอย่าไปโลภมากอย่าไปอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้นอนซะ ก, ก่อนเขาบอกงั้นนะโอ๊ยทําท่าเหมือนพอหมดแล้วโลกเนี่ยไม่ต้องการอะไรซากอย่างนะทําท่าเหมือนสันโดดเหมือนมักน้อยอนะเหมือนเป็นคนวิเวกนะเรียนแบบเหมือนแต่ไม่ใช่ ใช่ไหนะลองตื่นขึ้นมาอีกทีนึงไอ้คนนี้เราเดือดร้อนนะท่านก็พยายามเจริญสร้างภาวะแห่งความตื่นตัวตื่นใจในการเจริญกุศลธรรมให้ดีๆเนี่ยนะอสมมุติถ้าเราขณะที่เราเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะรสร้างความตื่นทางใจให้เกิดขึ้นได้อย่างไรสมมติถ้าเราจะทบทวนตัวเองเนี่ยว่าทําไมเราต้องตื่นตัวในการเจริญกุศลนะทําไมเราก็บอกเออก็เรียนไปหลับไปอะไรต้นต้นเนี่ยนะไม่ดีกว่าหรือ พักผอนบ้างฟังธรรมก็ฟังสักครึ่งชั่วโมงหลับสักหกเจ็ดชั่วโมงอย่างเงี้ยก็พอแล้วอย่างเัี้ยนะหรือไม่บางทีก็ฟังก็บางทีก็ว่าฟังเพื่อท่านเทศน่าหลับเทรานั้นก็เลยเปิดธรรมะเพื่อกล่อมสหลับเลยอย่างเงี้ยนะบางทีก็กลายเป็นว่าฟังเพื่อให้ตื่นที่ไหนได้ฟังเพื่อกล่อมไม่หลับเพราะมหลับดีหลับง่ายเพราะนั้นบอกโอ้ยตั้งก็ฟังธรรมท่านนะโอ้ยหลับง่ายเท่านั้นนะเออแก็ยังดีอ่ะนะ กันหนึ่ก็เลยก็เอาเกลี้ยกล่อมให้คนนอนหลับช่วงค่ำๆกันแล้วกันอย่งนั้นท่นนพวกละทีนมิธาเนี่ยถามว่าแล้วถ้าเราจะละทีนมิธาเนี่ยเราจะคิดยังไงเราจรึงจะละทีนมิธาได้คือย้อนอีกครั้งหน่งนะต้องสร้างความตื่นตัวตื่นยังไงตื่น น, นะนะบางทีก็ต้องใช้วิชาคณิตศาสตร์มาช่วยนิดหน่อยอคิดว่ายังไงว่าชีวิตของเราเนี่ยเราคิดว่าเราควรจะตายอายุสักเท่าไหร่ดี เก้าสิบอ๋อปีที่เก้าสิบจะเป็นยังไงเนาะเอาร้อยยี่สิบเลยเนาะไม่ถึงเอาเอาเอาเอาแปดสิบเอ้ยแปดสิบนี่ไหวหรือเปล่านะแต่คนใกล้แปดสิบนี่บอกไหวไหวแต่คนที่อายุน้อ ย, อยบอกเอ้แปดสิบเราจะทู่ไหวหรือเปล่าเนี่นะของมาเนี่ยทักทิ้งเลยถ้าเราแปดสิบนี่ไหวหรือเปล่านะ เอาสมมติอ่ะคนที่มาเรียนธรรมะกึ่งหนึ่งเนี่ยกเกษียณแล้วก็แสดงว่าหกสิบขึ้นนี่หกสิบขึ้นเนี่ยหรือสี่ห้าหกสิบเนี่ยเอาสมมติถ้าอวัยโดยเฉลี่ยเฉี่ยนะเกณฑ์ปกติของโลกยุคนี้ก็อกประมาณสักเกียสิบห้าลาโลกแล้วเนี่ยนะแล้วทีนี้เจ็ดิห้าปีเนี่ยของเราบวกเลยเอาเจ็ดสิบห้ามาลบอายุที่มันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่อนะเอาแบ่งเวลาให้กับอาหารไป ว, วันวันหนึ่งกี่ชั่วโมงวันหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ทานอาหารครั้งละชั่วโมงครั้งละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเดินทางอีกนำหน้า น, นำหลังเบ็ดเสร็จแล้ววันละสี่ชั่วโมงแบ่งเรื่องอาหารไปสี่ชั่วโมงนอนอีกหกชั่วโมงคุยโทรศัพท์เรื่องเสเพเหระไม่เป็นเรื่องอีกสองชั่วโมงแบ่งบางคนเนี่ยมั่งจริงนแล้วก็มาไล่ดูนะก็มาไล่ไล่ไล่ไ ล, ไล่แล้วมีเวลาเหลือให้ธรรมะเท่าไรหร่เอาบางทีวันทั้งวันได้สองชั่วโมงเหมือนั น, น่ะเยอะไหนก็วันที่เขาอะไรนั้นมีกิจกรรมธรรมะ แต่ถ้าวันธรมธรมดาาอาจจะเหลือเวลาอยู่กับธรรมะลุกคือบางทีใช่ในเวทอยู่ในเวดวงธรรมะมากแต่กุศลธรรมอาจจะเกิดไม่มากก็ได้เพราะว่าวันนี้ฟังธรรมทั้งวันเลยบอกว่าฟังธรรมด้วยอาการชนิดใดฟังแบบอะไรนะยังเต็มทเรียกว่ายังเต็มเนื้อเต็มใจอยู่หรือเปล่าครับเพราะบางคนฟังแค่ครึ่งเดียว อีกครึ่งหนึ่งแบ่งให้หลับบ้างอีกครึ่งหนึ่งแบ่งให้สู้งซ้านบ้างอีกครึ่งหนึ่งวางแผนงานบ้างอีกครึ่งหนึ่งคุยกับลูกบ้างอีกครึ่งหนึ่งวางแผนเที่ยวบ้างโอ้ทากิจกรรมในความคิดยามฟังธรรมมันก็เลยไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะฉะนั้นไอ้เอาเวลาที่อยู่กับกุศลธรรมจริงๆเนี่ยเอาปริมาณมาวัดดูมามาเช็คดูว่าชีวิตเนี้อยู่กับกุศลจริงๆเลยนะจิตที่เป็นกุศลที่ไหลมาเทมาอย่างเดียวเนี่ยเท่าไรวันหนึงห้าชั่วโมงน่าจะได้นะ เอาต้องวางแผนให้มันดีๆไม่ได้ก็ต้องทําให้มันได้ถ้ า, ถาได้ห้าชั่วโมงสมมติถ้าได้วันละแค่ห้าชั่วโมงเนี่ยแค่นะจริง ๆ, ๆ, ๆแค่จริงๆชีวิตหนึ่งเราเกิดมามีเวลาชีวิตอยู่ตั้งหลายแสนชั่วโมงเราจะได้กุศลไม่ถึงห้าร้อยชั่วโมงเลยหรือชีวิตที่เป็นสาระเราแค่ห้าร้อยชั่วโมงเท่านั้นหรืออย่างอื่นเอาไปเป็นเรื่องอื่นทั้งหมดเลยหรือเอาไปเป็นบาปเหมือนกับว่าสมมุติถ้าเราเกิดมาสักมีเวลาชีวิตสองแสนชั่วโมงเไงสองแสนชั่วโมง แล้วภายในสองแสนชั่วโมงเนี่ยถ้าเป็นบุญแค่ห้าร้อยชั่วโมงและอีกแสนเกือบอีกหนึ่งแสนเก้ามืนเก้าพันเท่าไรเก้าพันเก้าพันห้าร้อยอ่ะเอาไปทําอะไรแบ่งไปเรื่องอะไรเรื่องอาหารบ้างเรื่องฝากเรื่องท้องเรื่องสูบเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรถโอ้หน้าเสียดายนะเสียดายเวลาชีวิตจริ ง, รงๆเขามาแบบพะเซื้อได้ไอ้เก้าแสนกว่าชั่วโมงเนี่ยขอเถอะจะได้เอามาทําบุญนะ จะเอามาเจริญกุศลมันถ้าจิตใจเราเป็นไปกับบุญน้อยเนี่ยอกุศลปริมาณมันโตขนาดนั้นแล้วกุศลนิดเดียว่มันจะเอาอะไรมาบรรลุเนี่ยนะกุศลจิตเกิดนิดเดียวเอาอะไรมาบรรลุไม่ต้องแปลกใจเราก็ทำไมเราไม่เห็นอริยสัจรักทีเนี่ยนะเพราะว่าคุณภาพจิตมันมันอ่อนเกินไปที่จะเห็นอริยสัจสติปัญญามันไม่มีกําลังเลยอะมันทุรพลไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามฝึกคิดตื่นตัวแล้วสมมติอะนาฬิกามันเดินแก๊ะ แก๊กแก๊แกผ่านไปเนี่ยนะเราเกือบเข้าไปทุกทีแล้วนะขยับเข้าไปอีกนิดขยับเข้าไปอีกนิดนึ่งไปหาปากมัจจุราชแล้วทีนี้ไอ้ขยับไปเนี่ยอยู่แบบความโง่เขลาหลงงมงายไม่มีความตื่นหลับหลับซึมสลึมสลือซล อ, อยู่อย่างนี้เลยหรือในถ้าคิดลักษณะนี้บ่อยๆมันก็ตื่นตัว เ, เกือบตายแล้วนะอย่างเงี้ยใกล้เข้าไปแล้วนะแล้วไอ้ปัญหาว่าตายไม่น่ากลัวแล้วหนาตายแล้วเกิดมาทําอะไรต่อเพราะว่าถ้าชาตินี้เนี่ย รอบรู้ขนาดนี้แล้งเจริญได้แค่นี้นะชาติหน้าไม่ต้องห่วงหรอกว่าจะเจริญได้ไม่ได้เจริญหรอกใช่ไหมเอาถามว่าทําไมชาติหน้าไม่ได้เจริญก็ดูชาตินี้นะศาสนายัางยังขนาดนี้เราเจริญได้แค่นี้ชาติหน้าอีกยากเพราะอะไรต่อไปเนี่ยนะประชากรโลกมันมากขึ้นแล้วก็การดูแลรักษามากขึ้นตายน้อยลงรวมๆนะตายไม่ค่อยมากเพราะโรคระบาดตายทีเป็นล้ า, ลานๆแบบโบราณไม่ค่อยมีแล้ว ทั้งคนก็ปริมาณประชากรโลกมันก็เยอะขึ้นเนี่ยนะตอนนี้ประมาณหกพันล้านเดี๋ยวต่อไปก็เจ็ดแปดพันล้านไอไอดินปุ๋ยทั้งหลายมันก็เริ่มหมดไปเนี่ยนะก็บอกปุ๋ยเคมีก็ใช้อีกไม่กี่ร้อยกี่ไม่กี่ปีข้างหน้าต่อไปมันก็หมดแล้วปุ๋ยเคมีที่เขาขุดเอามาทําเนี่ยวก็หมดแล้วทีนี้ไอต้นไม้ใบหญ้ามันก็เริ่มหดลงทรัพยากรโลกมันลดลงพื้นดินมันจะเป็นทะเลทรายมากขึ้นแล้วเกิดมากินอะไรกันนี้นะโรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นอะไรก็มากขึ้นอาหารหายากขึ้น อะไรก็ยากขึ้นแล้วถามว่าปากท้องมันเดือดร้อนขนาดนั้นเอาเวลาที่ไหนมาคิดอริยสัจเนี่ยนะแล้วประชาชนสังคมโดยรวมวัฒนธรรมเนี่ยนะวัฒนธรรมฟุตวัฒนธรรมกีฬาซะส่วนใหญ่เนี่ยนะอารยธรรมกีฬานะวัฒนธรรมฮอลลีวูดอย่างเงี้ยก็ไปแล้วค่ะนี่ก็ยากที่จะได้เห็นอริยสัจยากที่จะคิดธรรมะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าศาสนาถูกทําลายมากกว่าวัฒนธรรมนั่นแหละฮอลลีวูดนั่นแหละทําลายอารยธรรมของโลกเกือบหมดเกลี้ยงเลย นันยากที่จะได้มาอ บ, บรมสมถาวิปัสสนามาศึกษาพระพุทธเจ้ายากเพราะว่าแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธรูปทั้งหลายตอนนี้ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่เคารพเลยนะอยู่ในสถานที่ชายเสื้อชายกระโปรงทั้งหลายเดินข้ามพระเสียรไปนะนะั่นแหละพระพุทธรูปจะตั้งอยู่ในบริเวณนั้นแล้วนี่ใครจะไปกราบใครจะไปไหว้ใครจะไปเคารพเพราะทุกอย่างในที่สุดสลายเนี่ยนะหมดนั้นไะอ้ห ม, หมดนี่มันเรื่องธรรมดาแต่ปัญหาว่าเรามาอยู่ช่วงหมดพอดีจะเป็นยังไงอ่ะ เราไม่สงสารเราบ้างเลยหรือเนี่ยนะก็ก็ค่อยมีหลายคนบอกโอ้ยเป็นห่วงศาสนาบอกขามาเป็นห่วงคนพูดอะไรมากนว่าถ้าคนพูดทําท่าจะห่างศาสนามากเพ่อไปคิดแต่ให้คนอื่นมีศาสนาตัวเองเนี่ยใจตกจากศาสนาไปตั้งนานแล้วเอาถามว่าพูดอย่างนี้ได้ยังไงเอาก็ดูใจคุณคิดถึงพระพุทธเจ้าขนาดไหนมั่นใจในพระพุทธคุณขนาดไหนอยู่กับพระพุทธคุณขนาดไหน เพราะอะไรพระพุทธเจ้าไม่เสื่อมหรอกศาสนาอย่างไงก็ไม่เสื่อมเคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าเสื่อมแล้วพระธรรมก็เสื่อมแล้วพระสารีบุตรท่านเสื่อมเลยตกจากภาวะอรหันต์แล้วเคยได้ยินไหมไม่ไมีเพราะนั้นไอ้ที่เสื่อมจริงๆก็คือพวกเราทั้งหลายนี่แหละจะเสื่อมจากพระศาสนาทํำยังไงใจของเราจะมีในศาสนาไอ้ใจของเราก็ไม่ค่อยมีศาสนาแล้วไปไล่ให้คนอื่นนับถือศาสนานจะอะไรเกิดขึ้นมันก็ท่าจะยากเหมือนกันเพราะนั้นก็ต้องแบบ พยายามมา้ควรวนในรอบๆเหลายเรื่องเอาภาวะหลายๆด้านมาพิจารณามากๆก็จะได้สร้างความตื่นตัวให้กกบจิตใจของเราเราก็จะได้เจริญกุศลธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเชื่อเธอสมัยพุท ธ, ธกาลเนี่ยนะเขามีการบรรลุทีละแสนทีละหลายหมื่นทีละ8 4 0 0มืนสี่พันบรรลุอย่างหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยบรรลุเกิน500้อยหมู่บ้านนั้นเกิน500้หมู่บ้านโน้ น, นเน 500, นน ون, ยอะแยะ แต่ไม่มีเราอยู่เลยอ่ะท่านเหล่านั้นก็ไม่มีเสื่อมแน่นอนข้างหน้าต่อไปก็จะได้ตรัสรู้แต่เราเนี่ยอย่าลืมนะมีกรรมเป็นของของตอนเอาพูดอย่างนี้ขาดเมตตาต่อคนอื่นสิปัญหาว่าขอให้มีเมตตาแก่ตัวเองก่อนเพรา ะ, ะนนคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้นั่นแหละจึงจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ถ้าช่วถ้าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงๆให้มั่นคงในศาสนายากที่จะช่วยคนอื่นได้ถ้าเราไม่มีความสุขในพระศาสนาคิดว่าคนอื่นเขาจะเอากับเราไหม ถ้าจะยากเพราะฉะนั้นทำยังไงที่เราจะเจริญงอกเงยในศ า, าสนาคนอื่นเห็นว่าดีเขาก็เอาตามด้วยแหละเชอถ้าเรามีความสุขมีความเจริญศึกษาแล้วร่มเย็นเป็นสุขชีวิตสบายขึ้นความเจริญมากขึ้นประสบแต่ความสุขความเจริญใครเขาก็อยากเจริญกันทั้งนั้นแหละเขาบอกว่าคนเขาอยากเห็นตัวอย่างมากกว่า มากกว่าคําสอนเขาบอกงั้นเขาเขาหลายคนเขาออกมาพูดลักษณะนั้นก็เขาอยากเห็นตัวอย่างจริงๆว่าคุณลองทําให้มันดีในคําสอนนี่ดียังไงก็ช่วยทําให้ดูหน่อยสิถ้าทําได้แล้วจะเอาตามามันดีจริงๆนะใครก็อยากดีอะ่ะใครก็อยากประสบความสุขความเจริญถ้าดีจริงเอาด้วยเพราะสังเกตที่ไหนที่ใครคิดว่าดีเนี่ยที่นั่นคนก็จะแฮ้งกันไปโดยเชื่อว่าดีจริงแล้วของเราทั้งหลายประสบความดีไหม พอที่จะให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะถ้าเราอายุมากขึ้นลูกหลานจะเอาตามบ้างนะแต่ถ้าเราศึกษาไปแล้วเราไม่ค่อยมีความสุขสัตย์เท่าไหร่นะลูกไม่เอาด้วยหรอกขนาดพ่อแม่เนะี่ยยังทุกข์ขนาดนั้นเนะี่เราไปทําตามเราก็จะทุกข์เหมือนกันสิไม่เอาด้วยหรอกว่างั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอปฏิบัติตัวให้เราดีที่สุดเท่าที่จะเราจะทําได้ส่วนการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยก็สุดแท้แต่บุญของของบางทีเนี่ยนะบางคนเขาก็อยากเรียนแต่เขาไม่ได้อยากฟังจากเราบางทีเราก็ต้องพยายามเขา้า ทำความเข้าใจอีกนิดหน่อยว่าบางคนเขาอยากเจริญในพระศาสนาแต่เขาไม่อยากได้ยินจากเราเขาอยากได้ยินจากบุคคลอื่นบางคนนี่เขาเรียกว่าเป็นพวกพุทธเวไนต้องรอให้พระพุทธเจ้ามาสอนเขาเองนะบางพวกก็ต้องว่านั่นฟังภาษาดีบทฟังพระโมกขาลานะนั่นแหละเขาจึงจะฟังไม่ใช่จากเราบ่าคุณเป็นใครว่างั้นพระมีทารูปหนึ่งเป็นที่ไหนพูดแต่ธรรมะนี่พูดไม่เป็นกาลันยูพูดผิดเวลาเขาใครนี่มโนให้ท่านเทศกวางั้น น, นี่เนี่ยใครนิมนต์ให้ท่านเทศเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราต้องระวังนะขนาดแม้กระทั่งกลุ่มค า, ารวะด้วยการเนี่ยที่จะแนะนําใครในพระธรรมทั้งหลายไม่ใช่พระธรรมไม่ดีแต่เราต้องรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักผู้ฟังแล้วก็เรื่องที่เราเอามาพูดเนี่ยเหมาะสมกับเรื่องที่กําลังฟังอยู่หรือไม่มันเข้ากับบรรยากาศไหมเข้ากับบรรยากาศหรือไม่คนฟังหรือคนพูดเองเห็นแจ้งสมาทานอาหารนธาเริงด้วยทํามีกระถามไหม คนฟังก็มีความสุขคนพูดเองก็มีความสุขทุกคนก็เจริญอย่างเดียวใช่ไหมมันก็พยายามสอบสวนทบทวนให้ดีๆย้อนกลับมาที่ธีนะมิธาอีกนิดหนึ่งว่าเอใครที่จะสร้างความตื่นตัวให้แก่ตัวเองเนี่ยนะบอกว่าเวลาที่เราอยู่กับคําสอนเนี่ยโดยปกติก็ไม่ค่อยมากอยู่แล้วนี่ถ้ายังมาให้เวลากับทีนะมิธาอีกเนี่ยจะไปไห น, น, นต้องสร้างความตื่นตัวตื่นใจให้แก่ตัวเองให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้เพราะว่า นี่คือการรวบรวมซับรวบรวมเสเบียงต่อไปในอนาคตเนี่ยนะโดยเฉพาะไอ้สะเบียงคือสติและปัญญาซึ่งเป็นเสเบียงที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะเพราะการฟังธรรมเนี่ยนะฟังธรรมแล้วทรงจําได้ระลึกได้นั้นเป็นสติฟังแล้วเกิดความรู้เกิดความเข้าใจน้อมเอาไปใช้ได้จริงนั้นเป็นปัญญาเป็นสัมปชัญญะ ม, มันสติสัมปชัญญะนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสติสัมปชัญญะนั่นแหละเป็นมร์เพราะอะไรเพราะสะติเป็น สัมมาสติสัมปชัญญะเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าสติสัมปชัญญะบริบูรณ์จริงก็อริยมรรคมีองค์แปดบริบูรณ์สามารถทําที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะสติสัมปชัญญะนั่นแหละจึงจะสร้างภาวะเห็นความตื่นตัวที่เรียกว่าอโลกสัญญาได้ น, นะก็จะเลิกกล่าวว่าเลิกแบบนิ่งเป็นเคลิ้มเคลิมคือบางทีเนี่ยชีวิตบางคนเนี่ยนะบางทีก็ ว, ว่ามันล้านะมันลา้ากุศลธรรมไม่ค่อยเกิดมากอะ่ะ อกุศลมันเกิดมากชีวิตของคนบางคนเนี่ยมันมีความสุขกับการหลับจริงๆเลยนะแต่พอตื่นมาขึ้นเมื่อไหร่ก็เครียดอตื่นขึ้นมาก็เดือดรอด้อนมีแต่ว่าอาณากรานะนะคืออากูณ์อ่ะขอไปทํางานอากูณ์ข้างค้างไว้เยอะไปหมดเลยแล้วก็ตื่นขึ้นมามันเครียดเพราะฉะนั้นความหลับนี่พอจะช่วยได้บ้างเป็นต้นมันก็เลยยากที่จะกุศลธรรมจะเจริญงอกงามนี่กุศลธรรมที่เกิดความตื่นตัวในการเจริญกุศลท่านบอกว่า ไม่ล่วงกันและกันเนี่ยนะไม่ไม่ล่วงเกินกันและกันจึงจะรักษาขีดความสามารถรักษาพัฒนาคุณภาพของกุศลให้เจริญยืดยาวต่อไปเมื่อละอุทะจะที่เกิดขึ้นด้วยสามารถแห่งความไม่ฟุ้งซ่านย่อมกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในความไม่ฟุ้งซ่านก็ไม่ล่วงกันและกันคือความไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นชื่อของสมาธิเนี่ยนะเป็นชื่อของเอกคตาแห่งจิตเอกคตานี่จะต้องฐานฐานคือกุศลธรรมเนี่ยรองรับค่อนข้าง แน่นหนาใจจึงจะไม่ฟุง้งซ่านเนี่ยนะะมันคิดโดยที่ไม่ฟุ้งซ่านได้นี่เก่งมากก็โดยเฉพาะแบบนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะอคําว่าฟุ้งซ่านนี่แปลว่าอะไรแปลว่านั่งอยู่แป๊บหนึ่งคิดได้ตั้งหลายเรื่องที่ไม่รู้คิดทําไมไม่ใช่การไม่ใช่งานไม่ใช่ธุระไม่ใช่น้าที่ไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้หรือไม่ว่างๆเรนั่งนึกถึงใจเรียกว่าภ า, าคาว่าฟุงา้งซ่านนะภาษาไทยเรียกว่าใจลอย นั่งเหม่อลอยนั่งใจลอยบางทีเอ๊ะดูดูอยู่เนี่ยอา้าวไปที่ไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยหรือตอนแรกก็ทําท่าอา่านหนังสืออยู่ดีๆเอ้าคุยกับเพื่อนตั้งนานแล้วเนียคุยในใจนะมันลักษณะเนี่ยเขาเรียกว่าฟุงา้งซ่านไอความฟุ้งซ่านเหล่าเนี้ยแก้อย่างไงเนี่ยนะให้มันจิตใจที่มั่นคงอเป็นจิตใจที่ไม่ใช่มันกระซ่านซ่านเซนไปหมดเลยอะ่ะ มันละอุทะจารด้วยความไม่ฟุ้งซ่านด้วยคุณธรรมคือสมาธิเนี่ยนะคือทําจิตให้ให้กุศลจิตเนี่ยเกิดได้บ่อยๆอาบางคนสงสัยเอเนี่ยเขาฟาุ้งซ่านมากเหลือเกินเนี่ยเขาทํำยังไ ง, จ, งจึงจะไม่ฟุ้งซ่านถ้าขอคําแนะนําอย่างเงี้ยทําไงดีมันฟุ้งซ่านบ่อยๆนะบางทีมันพออยู่ปั๊บๆมันก็ไปเรื่องอื่นลนะเดี๋ยวก็ไปเรื่องโน้นทีเดี๋ยวก็ไปเรื่องนี้ทีมันฟุ้งอย่างเงี้ยจนจนฟังอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเลย ว่าทำไงดีเนาะก็บอกว่ามีวิธีเดียวเนี่ยนะที่ที่จะทำได้ก็คือทำให้กุศลจิตเกิดบ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้แล้วอย่าไปเน้นกุศลประเภทละเอียดละเอียดนะนะให้เน้นกุศลที่มันทำได้เลยเนี่ยน ะ, ะสร้างสร้างกุศลธรรมให้มันเกิดได้บ่อยบ่อยเช่นสวดมนต์เช่นฟังธรรมเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไปเนี่ยนะนะฟังธรรมเรื่องที่ไม่ยากที่เราฟังแล้วรู้เรื่อง ฟังแล้วรู้เรื่องทันทีก็เก็บข้อมูลอ่ะเรียกว่าสร้างสติกุศลให้มันเกิดขึ้นในใจได้บ่อยๆถ้ากุศลธรรมเกิดในใจได้บ่อยๆอาจจะไปกับเรื่องทานบ้างปารลบศีลบ้างปารลฟังธรรมบ้างปารลบสวดมนต์บ้างอ่านพระไตรปิฎกบ้างคือโน่นบ้างนี่บ้างก็ไม่เป็นไรหลายๆอย่างก็เหมือนกับว่าแบบทานอะไรอย่างเดียวไม่ได้อ่ะต้องทานหลายๆอย่างเอาความอิ่มเข้าไว้ก่อนนะชั้นใดกุศลก็เจริญทุกอย่างไม่เลือก กุศลนั่นทำทำอะไรได้ทําไปก่อนเลยเพื่อให้กุศลจิตเกิดได้บ่อยและหนาแน่นขึ้นเพราะครั้งแรกๆเนี่ยนะที่เราทําอะไรไม่ได้ก็กุศลจิตมันอ่อนเกินไปที่จะทําอะไรได้มันก็ทํายังไงบอกว่าทํำยังไงตอนแรกว่าให้กุศลจิตเกิดได้บ่อยที่สุดภายในชั่วโมงเนี้เราจะทํากุศลอะไรได้บ้างเช่นอย่างสมมุติว่าเราเดินทางเนี่ยจากที่นี้ไปถึงจุดตรงโน้นเนี่ยจะให้จิตเป็นกุศลอะไรได้บ้างจากณที่ตรงนั้นไปถึงตรงนั้นเนี่ย ทำกุศลจิตอะไรให้เกิดขึ้นบ้างจากตรงโน้นไปถึงตรงโน้นเนี่ยอย่างสมมติช่วงเช้าให้กุศลให้กุศลจิตเกิดได้ไหมช่วงสายทําให้กุศลจิตเกิดได้ไหมช่วงกลางวันจะให้กุศลจิตอะไรเกิดได้บ้างช่วงบ่ายจะให้กุศลจิตอะไรเกิดช่วงค่ําจะให้กุศลจิตอะไรเกิดก่อนนอนจะให้กุศลจิตอะไรเกิดแล้วคิดอะไรก่อนนอนถ้าจะตื่นขึ้นมาแล้วจะให้กุศลจิตอะไรเกิดขึ้นภายในรอบยี่สบสี่ชั่วโมงเนี่ยควรจะให้กุศลจิตเกิดได้บ่อยไหม แล้วในรอบสัปดาห์เนี่ยเราจะต้องเจริญกุศ ล, ลจิตอะไรบ้างก็ต้องตั้งอัตตะสัมมาปณิที่เอาไว้เลยเนี่ยนะพระองค์ตรัสว่าอัตตะสัมมาปณิที่จะเอาตัมมังคามุตตะมังต้องตั้งเอาไวนะ้ในกุศ ล, ลมันจึงเกิดกุศลเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดลอยๆมันอยากเกิดมันก็เกิดไม่ใช่เนี่ยนะไม่ใช่มันอยากเกิดมันก็เกิดเพราะถ้าไม่สร้างเหตุสร้างปจาัจจัยสร้างอุปนิสยัยสร้างอัธยาศัายไข่ครวนสมาทานอธิษฐานยากยากที่มันจะเกิดนะ พั้นก็เราก็ต้องมาปรารบธรรมยังไงกุศลธรรมจึงจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ไม่นะก็อิติปิโสบ่อยๆก็แล้วกันเนี่ยนะสาธยายพุทธคุณก็ยังดีอะไรยังคือให้ให้จิตมันเป็นไปกับสิ่งที่ไม่มีโทษกุศ ล, ลจิตก็เกิดขึ้นเพราะกุศลเนี่ยปราศจากโทษเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างปรารบธรรมธรรมะบ้างสนทนาพระธรรมที่เราฟังแล้วสบายใจ ฟังแล้วเรากุศลเจริญเป็นต้นคือในตอนชั้นแรกเราไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรที่มันละเอียดละเอียดหรอกเนี่ยเน้นว่าทํายังไงให้กุศ ล, ลจิตมันเกิดหนาแน่นเอาไว้ก่อนทีนี้เมื่อกุศลจิตเกิดได้บ่อยมากขึ้นเกิดเจริญขึ้นในรอบวันหนึ่งเนี่ยฮะวันหนึ่งเป็นจากหนึ่งเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วชั่วโมงละสามนาทีห้านาทีสิบนาทีก็รวมรวมกันวันหนึ่งเออได้ตั้งหลายนาทีแล้วนะเนี่ยะถ้ารวมรวมอย่างงี้เออได้วันหนึ่งสองชั่วโมงละอ่ะ เพิ่มทำยังไงได้สาชั่วโมงเพิ่มยังไงให้วันกุศลจิตเกิดได้สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงทีนี้เมื่อมันเกิดสวา่างทำ้งไอช่องว่างให้มันเป็นกุศลโดยมากๆขึ้นแล้วต่อไปเพิ่มคุณภาพกุศลได้อย่างไรนะเพิ่มจากยาณวิปปยุทธ์ให้เป็นยาณสัมปยุทธ์ตอนแรกมันจะวิปปยุทธ์บรรอะไรก็ช่างเหอะให้มันเป็นกุศลไปก่อนนะนะบางทีเลือกมากจนอดทานก็มีบางคนเนี่ยเลือกเจริญกุศลจนไม่เป็นกุศลก็มีมันก็ต้องมาแบ่งให้กุศลจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นได้บ่อยๆ เมื่อกุศ ล, ลจิตเกิดได้บ่อยเท่าไหร่ที่เหลือก็เพิ่มคุณภาพกุศลเนี่ยนะจากยาณวิปปยุทธ์ให้เป็นญาณสัมปยุทธ์เนี่ยนะให้มันมีปัญญาประกอบกับทุกเรื่องแค่ว่าเอากุศลแต่ละอย่างมาวิจัยมาพิจารณาว่ามันทําอย่างนี้แล้วดียังไงถ้าไม่ทําแล้วเสียหายยังไงก็ค่อยมาไข้ครวนพิจารณาให้มากๆแล้วก็เพิ่มพัฒนาเรื่อยๆอย่างเนี้ยให้คุณภาพจากปริตฐะเป็นมหคตะจากมหคตะจนถึงระดับอับปปามะนะ อย่างนั้นแหละเ้าเรียกว่าการเจริญภาวนาคือการทําให้มันมีขึ้นถ้าเจริญได้อย่างนี้จริงมันก็ลดความฟุ้งซ่านได้ในระยะยาวแต่คนเนี่ยชอบจะแก้ความฟุ้งซ่านแค่เฉพาะหน้าโดยที่ไม่มีความคิดแก้ปัญหาในระยะยาวเนี่ยนะไม่คิดแก้ปัญหาในระยะยาวเพราะเมื่อคนที่ไม่คิดแก้ปัญหาระยะยาวเนี่ยระยะยาวเนี่ยฟุ้งซ่านแน่เพราะเหตุที่ทําอยู่เนี่ยสร้างความแต่สร้างแต่ความฟุ้งซ่านที่ก็เปรียพื่อมือนสำนวนชาวบ้านก็บอกว่า ทำเป็นเดือดร้อนเวลาที่เงินหมดแต่ไม่เคยมีวางแผนสร้างรายได้ให้กับตัวเองเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เวลาหนี้สินมีแต่ใบทวงหนี้เข้ามาก็เลยเดือดร้อนดิ้นเร่าๆอยู่เป็นรายวันไปพอแก้ปัญหาเสร็จเฉพาะหน้าเสร็จแล้วก็ใช้อีกเนี่ยนะไม่ไม่มีความตื่นตัวฉันใดคนที่ไม่เจริญกุศลรธรรมก็ฉะนั้นจะต้องสร้างความตื่นตัวในระยะยาวด้วยต้องคิดแก้ปัญหาในระยะยาวถ้าเราไม่สามารถวางแผนให้กุศลจิตที่ไม่ค่อยเกิดให้มันเกิด กุศลจิตที่มันเกิดไม่ค่อยบ่อยให้มันบ่อยขึ้นกุศลจิตที่ไม่มีคุณภาพเพิ่มคุณภาพกุศลจิตที่เป็นปริตตาให้เป็นมหาคตาถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้อย่าวังเลยอัปปามะนะที่ที่เป็นระดับอับปปามะนะคืออะไรคือโสดาปฏิมักเป็นต้นไปนี่ก็เรียกว่าเป็นอัปปามะนะเป็นกุศลธรรมประเภทหาประมาณไม่ได้เฉะนั้นกุศลธรรมที่หาประมาณไม่ได้นั้น ะ, นนะจะต้องเป็นสิ่งที่ผ่านการวางแผนมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะ ผ่านการไขครวญวิจัยเพื่อให้เรียกว่าชี้ร่องขูดหนทางแนวทางให้กุศลจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นมากนะเพราะว่าคําว่าภาวนาในที่นี้ก็คือสร้างจิตให้เป็นกุศลแล้วเพิ่มคุณภาพของกุศลที่อยู่ในจิตเช่นเพิ่มคุณภาพศรัทธาเพิ่มคุณภาพวิริยะเพิ่มคุณภาพสติเพิ่มคุณภาพสมาธิเพิ่มคุณภาพฮิริเพิ่มคุณภาพโอตตะปะก็เพิ่มคุณภาพปัญญาเป็นต้นเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปเรื่อย จนกว่าเพิ่มองค์มักแต่และองค์นี่ให้มันครบแปดแล้วให้มันพัฒนาให้ยิ่งเป็นจากปริตตะเป็นมากะตะเป็นอัปประมาณะแล้วก็น้อมไปเพื่อออกจากสังตะ ธ, ธรรมมันจึงจะเป็นไปได้นะนั่นะก็ต้องมันมันทบทวนบ่อยๆว่ากุศ ล, ลจิตของเราเนี่ยทิศทางการเจริญกุศลของเราเนี่ยมั่นคงขนาดไหนระยะยาวเป็นอย่างไรให้ความสำคัญเหมือนกับการคิดง่ายๆอ่ะ เราไปไหนเนี่ยนะเราจะเดินทางไปไหนสักแห่งเนี่ยเราคิดควรหมดเลยนะเมื่อไปถึงตรงนั้นเราจะพักยังไงนอนที่ไหนกินอะไรมีร้านอาหารแค่ไหนอะไรอ่ะถ้าเราจะเดินทางสักแห่งหนึ่งเราคิดหมดเลยใช่ไหมแต่แล้วความคิดของเราวางแผนเพื่อความคิดบ้างไหมแต่แทาส่วนใหญ่เนี่ยคนเนี่ยนิยมวางแผนเพื่อประสาทสัมผัสเราจะต้องเวลานั้นเราต้องเห็นอะไรเวลานู้นเราต้องฟังอะไรเวลานั้นเราต้อง รับกลิ่นชนิดไหนเวลานั้นเราต้องรับรถอะไรเราต้องทานอะไรอันไหนเป็นอาหารว่างอุ้ยวางแผนประสาสัมผัสอุณหภูมิต้องแค่ไหนอย่างไรเสื้อผ้าที่เราใช้สอยเป็นอย่างไรวางแผนเพื่อประสาสัมผัสนี้ชํานาญมากแต่ว่าวางแผนกับมโน่ะกุกุศลจิตนะก็ต้องกําหนดกฎเกณฑ์แล้วก็สมาทานอธิษฐานบ่อยๆแล้วใจของเราเนี่ยจะเจริญกุศลกี่กลุ่มกี่ประเภทก็หยิบมาสมาทานมาอธิษฐานมาปรารบเลย เขาว่าเอาเป็นจริงเป็นจังเขาเรียกว่าบริหารกิจการภายในใจว่างั้นนะนะบอกดูว่าบริษัทนี้ทําท่าจะเจ๊งหรือจะเจริญก็ต้องดูว่ามีวัตถุดิบพอไหมมีอะไรพอไหมมีองค์ประกอบพอไหมเขาบอกว่าเรื่องภายนอกตัวเนี่ยนะอย่างในร่างกายของเรานะี่ยมีรูปธ ร, รรมอยู่ไม่เท่าไหร่รูปธรรมเนี่ยนะคัดคัดคัดคัดคสภาวะที่แตกต่างกาันเป็นนิพพานใรูปสิบแปดเป็นอานิพพานในรูปรูปที่มีสภาวะสิบแปดไม่มีสภาวะอีกอีกสิบ ไอ้ที่มีสภาวะจริงๆมันมีแค่สิบปดไอ้ที่เหลือมันอ่ะสภาวะรูปแต่จิตเจตสิกมีห้าสิบเอ็ด่ะเจตสิกห้าสิบสองจิตบวกอีกหนึ่งเป็นห้าสิบเอ็ดแล้วมันจะต้องบริหารจิตเจตสิกเนี่ยต้องบริหารขนาดไหนแล้วมันมีทั้งพักมารพักเทพอยู่ในนั้นนะมีทั้งฝ่ายบาปและฝ่ายบุญอยู่ในใจแล้วมันมีพวกไอ้พวกกองเชียร์นี่อยู่ในใจอีกทั้งเยอะแยะอ่าบาปมันเกิดมันก็ไปเชียร์บาป พ, พอบุญเกิดมันก็เชียร์บุญพวกเชียร์บุญเชียร์บาปก็เรียกอัญญสมนาเนะี่ มันก็เกิดอยู่ในใจแล้วเราจะอบรมยังไงจะวางแผนยังไงจะอะไรยังไงต้องคุยให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะคุยให้มันดีๆหน่อยไม่งั้นินใจไม่ยอมพยาจิตตราดงงไปหมดจะให้ฉันคิดอะไรดีอย่างนั้นก <c oughs> ็ต้องวางแผนให้ดีๆหน่อยนะ <c oughs> ไอการวางแผนนั่นแหละเขาเรียกว่าสัมทิฏฐุชุกรรมเนี่ยนะทำความเห็นให้ตรงเนี่ยนะภาษาธรรมะใช้คำว่าทิฏฐุชุกกรรมปรับทัศนคติปรับความรู้ปรับความเข้าใจให้มันชัดเจนอะไรเป็นอะไร แล้วก็ตั้งอัตตสัมมาปณิทิสมาทานในการเจริญกุศลให้มันดีๆเพราะถ้าเราเจริญกุศลไว้ไม่ดีไม่พอถามจริงแล้วจะเอาใจชนิดไหนไปนําเกิดทบใหม่ออาถ้าถ้าเราเจริญไวค้คุณภาพกุศลเราไม่มีคุณภาพเลยนะถ้ากุศลจิตเราไม่มีคุณภาพแปลว่าชาติหน้าเราไม่มีคุณภาพทั้งชาติและไม่มีคุณภาพอีกหลายๆชาติสมมุติถ้าเอาหมหากุศลรวมที่แปดนำเกิดเนี่ยนะ มหาวิบาลดวงที่แปดกะาเหตุกะมันจะให้ผลนําเกิดทั้งชาติปัญญาอ่อนเกิดทั้งชาติเลยถ้าเป็นมนุษย์นะถ้าก็เป็นคนนั่งแล้วก็ใช้ปัญญาอ่อนไปหมดเลยถ้ามหากุศลดวงคือในมหากุศลแปดวงเนี่ยนะมันจะให้ผลตามเหตุมันก็เหมือนกับว่าถ้าภาพตัวจริงเนี่ยนะแต่งตัวหน้าตารกปรุงรังไปหมดเลยไม่หวีผมเผาไม่หวีหน้าตาไม่ล้างไปต้นเนี่ยยิ้มแบบคนอดตาหลับขับตานอนมาห้าวันแล้วอย่างนงี้ ภาพออกไปเนี่ยแต่งยังไงให้มันสวยได้ไหมภาพนั้นอะแต่งให้มันงามเป็นดาราเลยนันเละไปติดไว้หน้าบ้านได้เลยโชว์อวดได้เลยพ้าจะยากเพราะฉันใดใจที่เป็นกุศลฉันใดปฏิสนธิในภพใหมก่ก็กลมเดียวกันประเภทเดียวกันแล้วเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นชีวิตของคนนั้นตลอดชาติตลอดชาตินั้นๆไปเรียกว่าเป็นธาตุแท้ของคนนั้นตลอดชาติเลย พราธุเราก็มาสร้างคุณภาพให้จิตของตัวเองให้ได้ถ้าสร้างคุณภาพจิตให้ตัวเองไม่ได้แล้วจะเอาบุญตัวไหนนําเกิดดีในบรรดาบุญที่ทําเยอะแยะเอาบุญที่ทําแบบเคลิบเคลิมให้ผลชาติหน้าเป็นยังไงนะประชาติหน้าก็อยู่ด้วยความเคริบเคลิมตลอดถ้าแบบบุญที่อะไรนะไม่มีปัญญานําเกิดชาติหน้าก็ไม่มีปัญญายากเรียกว่าเรียนอะไรก็เรียนชา้าอืดกว่าจะเข้าใจอะไรแต่และเรื่องได้เนี่ยน้ําตาไหล จะจำอะไรได้สักประโยคนี่มันย้าแท้เนี่ยนะถ้าว่าเป็นอะไรนะ <c oughs> ในขำโยมก็เล่าว่าว่าที่หนึ่งกับที่โลเนี่ยมันมีอยู่คนเดียวเหมือนกันเพราะงั้นมัน <c oughs> ที่หนึ่งกับที่โลไม่ต่างกันเพราะงั้นนะแต่ <c oughs> กลายเป็นคนพิเศษที่ได้ที่โลตลอดเลยอย่างเงี้ยนะเป็นมีคนเดียวในห้องอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างงี้ก็ไม่ไหวแล้วพ่านจะต้องเร่งเร่งสร้างคุณภาพให้แก่จิตใจถ้าเราสร้างคุณภาพให้แก่จิตใจได้ก็เท่ากับเลือกปฏิสนธิไดไ้การกําหนดรอบรู้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่า พวกนี้นัคือปัจยะปริฆายามทั้งนั้นแหละอยู่ในกลุ่มระบบปัตยปริฆายาณหรือกําหนดปฏิจจสมุปบาททั้งนั้นแหละเพราะว่าเพรา ะ, ะปฏิจจสมุปบาทคืออะไรคือการปรับความรู้ปรับความเข้าใจในเรื่องจุติและปฏิสนธิทีนี้เข้าใจเนี่ยนะเราจะออกจากวัตฏะได้ยังไงมันจะออกมันต้องออกจากอบายก่อนอยู่แล้วเป็นลําดับแรกทีนี้ออกจากความเป็นผู้ไม่มีปัญญาเพิ่มให้เป็นผู้ที่มีปัญญาคุณภาพของปฏิสนธิจิตพอ อนะอย่างวิสุทธิมรรคนี้บอกเลยนะว่าใครที่จะเกิดชาติต่อไปเนี่ยนะที่จะบรรลุเนี่ยวิสุทธิมรรคบอกเลยบอกตามพระพุทธพจน์ว่าสีเลปฏิฐายาณโรสปัญโยจิตตังปัญ ญ, ญจะภาวายังอาตาปีนิปโกภิโคโสอิมังวิชตะเยชะตังเนี่ยนะเขาบอกว่านระผู้มีปัญญาเนี่ยนะนระผู้มีปัญญานั้นเป็นสหาชาติกปัญญาแปลว่ามีปัญญาตั้งกับปฏิสนธิแล้วเรียกว่าชาติของคนมีปัญญาเพราะคนที่จะได้ชานาพิญญามรรคผลต้องติเหตุกะปฏิสนธิเท่านั้น นะนโรสปัญโยเนี่ยต้องมีปัญญาที่เป็นปฏิสนธิปัญญาเนี่ยนะจิตตังปัญญัจะพาวายังเนี่ยนะจิตตังปัญญจะปัญญัจะตัวนั้นก็คือวิปัสนาปัญญาเนี่ยนะต้องมีวิปัสนาปัญญาอาตาปีนิปโกนิปะกะตัวนั้นก็เป็นชื่อของปัญญานิปกะก็เรียกปาริหาริยะกะปัญญาผู้ที่จะบรรลุมรรคผลได้เนี่ยนะอันนี้นี่ไม่พูดศีลสมาธินะเอาเฉพาะปัญญาอย่างเนียหนึ่งต้องมี สหาชาติกะปัญญาหนึ่งนะคือปัญญามาตั้งแต่เกิดแล้วสองวิปัสนาปัญญาสามปาริหายะกะปัญญากลุ่มสาธกะสัมปัญญะเป็นต้นดีเยี่ยมนั่นแหละจึงจะคู่ควรแก่การบรรลุเนะี่ยนทีนี้ถ้าหากว่าคนที่จะบรรลุได้ในภพนี้องค์ประกอบต้องมีอย่างนี้แต่ถ้าบอกว่าชาตินี้ถ้าจะยากแนวโน้มแหม่มยากเหลือเกินทาไงทาไงก็ต้องวางแผนเจริญกุศลเรียกว่า เป็นการตั้งอัตตาสัมมาปณิทิในระยะยาววางแผนว่าปฏิสนธิเกิดเนี่ยควรจะเอาตัวไหนนําเกิดเนี่ยนะก็ที่จริงเนี่ยเร า, เราซื้อเสื้อผ้าเรายังวางแผนไม่เลยใช่ไหมว่าจะเอาไว้ใส่ชุดไหนที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรคิดก่อนไหมซื้อเสื้อผ้าสักชุดหนึ่งอะนะเว้นแต่ของพระเนี่ยมันงานไหนชุดเดียวะแต่เป็นของโยมเนี่ยว่าเออชุดนี้เอาไว้ใช้งานไหนเหมาะกับงานไหนงานไหนเรายังคิดแต่งตัวเลยใช่ไหมเอาแล้วแต่งใจอ่ะ แต่งปฏิสนธิจิต ก, ก่อนนะว่าแต่งปฏิสนธิจิตอย่างไรแล้วแต่งวิปัสนาปัญญาอย่างไรแล้วแต่ละอย่างนี้มีปาริหาริยกะปัญญาเช่นใดถ้าปฏิบัติตามนั้นได้ก็คู่ควรที่จะทนทุกข์ได้แต่ถ้าถามว่าโอ้ยทำยากทําไม่ได้หรอกเอาทัพก็ถ้าทําไม่ได้ก็ทําบุญและตั้งความปรารถนาสาธุโดยบุญกุศลคุณงามความดีนี้ขอจงเป็นอุปนิสัยให้ปฏิบัติได้ตามนี้ก็แล้ว ก, กันวันนี้ยังไม่ได้ก็โอ้ยระยะต่อไปต้องได้เนี่ยนะ ชาตินี้ไม่ได้ชาติต่อๆไปต้องได้พระพุทธเจ้าองค์นี้ไม่ได้ขอพระพุทธเจ้าองใหม่องค์หน้ายังไม่ได้ก็ขอองคใหม่ไปเรื่อยๆเพราะยังไงถ้าไม่ได้มันก็เฝ้าวัตตะอยู่ดีเสมอสตัวเพราะมันมีมีอะไรตกตก่ํเราอยู่วัตตะอีกแล้วเนี่ยนะอยู่วัตตะถือว่าตกต่าที่สุดติดดินดินน้ําไฟลมยังไงมันก็ติดดินน้ำไฟลมตลอดอยู่แล้วล่ะมันไม่พ้นดินน้ําไฟลมแล้ววางแผนให้ออกจากดินน้ําไฟลมมันเสียหายตรงไหนเนี่ยนะก็ต้องคิดระยะยาวบางคนบอกโอ้ยไกลไปมั้งเออว่าใกล้ทําไงอ่ะ ทางเลือกใหม่ก็ถ้าทางเลือกของพระพุทธเจ้าก็ดีไปถ้าไม่ใช่ทางเลือกพระพุทธเจ้าก็ออกจากทุกข์ไม่ได้หรอกาทางขนาดไหนมันก็ไม่มีทางทางอื่นที่ว่าหรอกเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระโสดาบันเป็นต้นมีเฉพาะในพระศาสนาของพระองค์เท่านั้นเนี่ยนะพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเนี่ยพระอรหันมีเฉพาะในศาสนาของพระองค์เท่านั้นศาสนาอื่นไม่มีพระโสดาบันเป็นต้น เอาถามศาสนาอื่นเขาก็มีสวรรค์ไม่ใช่หรือบอกไม่ได้เถียงว่าไม่มีแต่สวรรค์ท่านบอกว่าสมบัติชั่วคราวทั้งนั้นแหละเนี่ยนะสวรรค์ทั้งหลายก็คือสมบัติชั่วคราวเท่านั้นแหละเราจะไปอยู่ในสวรรค์นี่ก็เหมือนกับไปค้างคืนโรงแรมเนีน่ยจะไปอยู่ได้สักกี่คืนเชื่อนี่นะจะไปอยู่ได้สักกี่วันบอกว่าเลือกชั้นรู้เลยชัน 7, ช้นเจชั้นแปดชั้นพิเศษชันช้นวิจิตพิสดารอะไรก็ว่ากันไปอ่ะแล้วมีทุนอยู่ได้สักกี่วันเชื่อใช่ไหมอย่างโรงแรมบางโลกบางแห่งเนี่ยก็คืนหนอยึ แล้วเออแล้วจะไปโอ้หเยี่ยมเลยนะบริการสุดรู้เลยนี่จริงเอ่อจะอยู่สักกี่วันจ้ะแล้วมีทุนไปอยู่สักกี่วันชั้นใดสวรรค์มันก็มีหลายชั้นอยู่ก็จริงแล้วถามว่าจะ ม, มีบุญอยู่สสวรรค์สักกี่ชั่วโมงของสวรรค์อนะ๋อจะอยู่สักกี่เดือนของสวรรค์เพราะสวรรค์มีอายุเป็นพันปีแต่ไม่ได้แปลว่าเทวดาทั้งหมดจะต้องอยู่เท่าอายุสวรรค์หมดไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นเพราะอยู่ตามสมควรแก่บุญถามว่าไอ้ตอนที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยพวกนี้กินบุญเก่าอย่างเดียว โดยมากกินบุญเก่าอย่างเดียวเมื่อกินบุญเก่าทั้งหมดบุญไปไหนต่อนะบาปที่ทํำมันจะไปไหนเนี่ยนะกรมมะสกโกมหิอะไรนะบาปที่ยังทําไว้ยังไม่ตามให้ผลก็เพราะว่ากาลคติอุปทิประโยคะเนี่ยนะมันห้ามเอาไว้ถ้ากาลวิบัติคติวิบัติเมื่อไหร่ก็แ เ, เนี่ยยาวและวัตตะเนี่ยนะยาวอย่างเดียวมันก็ต้องพยายามคิดหาทางออกให้มันให้มันคู่ควรเพราะว่าไม่งั้นนี่เสียเสียชื่อพระพุทธเจ้าหมดเลยนะ ศาสอนตั้งมากมายเนี่ยนะเป็นพระองค์เตือนตลอดเลยนะในใ น, ในพระพุทธพจน์เนี่ยเธออย่าเป็นคนสุดท้ายเลยอย่าเป็นคนสุดท้ายเลยนะกใครบอกอย่าเป็นคนสุดท้ายในศาสนานี้เลยก็คือคําว่าคนสุดท้ายเนี่ยแปลว่าเธอเนี่ยคือคนที่เกือบจะได้บรรลุนะเกือบสอบผ่านกับเกือบสอบตกเอาอันไหนอคนสุดท้ายก็แปลว่าเกือบได้เกือบเกือบไม่ใช่เกือบสอบได้อ่ากลมเกือบสอบได้นะอะไรเรียกว่ควาคนสุดท้าย ไม่ใช่คนสุดท้ายที่ได้นะก็คือคนสุดท้ายที่หมายคขาว่าอะไรนะเขามีคนที่ได้คนสุดท้ายไปแล้วอะ่ะแล้วเราเนี่ยเกือบจะทันคนสุดท้ายอะ่ะพระองค์บอกว่าอย่าเป็นคนชนิดนั้นเลยอย่าเป็นคนตรงนั้นเลยอันนี้นี่เป็นเป็นสำนวนโบราณอ่ะนะแต่หมายเขาว่าอย่าเป็นคนสุดท้ายก็แปลว่าอย่าเป็นคนสุดท้ายที่ที่เป็นคนมาตัดวงอันนี้เข้านะนะอย่าเป็นคนมาตัดอริยะวงอันนี้เข้า